ลูกเพ่ยมีบนเขาด้วยเขดูเรื่องอวันนี้คือมีก็มีสุขินโหรพัดมาสัาการรูกเพ่ยมันมีควาาจันไรแต่สมารกันรองบ่ t a um, ก็คือด็กไม่ตายนะคือ with that Thank you.